เมื่อเช้าตอนที่พูดถึงประวัติหลวงพ่อเทียนเราก็ได้เอ่ยถึงวัดหนึ่งนะที่หลวงพ่อคำเขียนได้ไปปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อเทียน ท, ที่ว่าไปนะาานเนี่ยวัดโพธิญาเนี่ยที่ไม่ใช่นะมันต้องเป็นวัดป่าโพธิญาเดี๋ยวนี้ความจำไม่ค่อยดีแล้วบางทีพอจะนึกถึงชื่อหรือนึกถึงคําใดขึ้นมาเนี่ยมันนึกไม่ออกเมื่อวานเมื่อวานนี้ก็ทีแล้วนะ จะเล่าเรื่องพอเล่าไปสักพักนึกไม่ออกแล้วว่ามันต่อกันยังไงนะก็ใช้เวลาคิดอยู่นานนะอันนี้คงไม่ใช่ความบังเอิญ น, นะคือตอนนี้ความจำก็เริ่มจะแย่ลงนะเป็นมาหลายเรื่องแล้วนะนึกชื่อไม่ออกบ้างแล้วนึกคนชื่อคนชื่อวัดนะบางทีนึกธรรมะชื่อธรรมะบางคำมันหยุดเหมือนกับว่ามันท่องได้ นะติดใจแต่พอจะนึกนะันึกไม่ออกพอผ่านไปชัอกพักอา้าวนึกขึ้นมาได้นะอันนี้ก็เป็นสัญญาณนะว่าออคงเป็นวนะัยน้าที่เริ่มอ่าอ่าชลานะสมองก็เริ่มมีปัญหาในการจำขึ้นมานะก็เป็นเรื่องธรรมดานะเพราะว่าความเสื่อมของสังขารก็นะถือว่ามันมา เือนให้เราเห็นหนึ่งความแปรนิจจงและขณาเดียวกันก็ให้เราควรควายหาวิธีอื่นเช่นความจำไม่ดีก็จดเอานะใช้วิธีจดเอาแทนอันนี้มันก็นะแต่ว่าไปแล้วเนี่ยธรรมชาติของกายธรรมชาติของใจนะเวลามันพร่องไปทางใดทางหนึ่งเนี่ยมันจะมีความสามารถในทางอื่นขึ้นมาแทนที่นะกายและใจเนี่ยมันก็จะพยายามที่จะดิ้นรนนะ ที่จะต่อเติมสวมแต่งนะเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดหรือจุดบกพร่องอย่างเราคงทราบนะคนที่ตาบอดเนี่ยไม่ต้องตาบอดต้องแต่เล็กนะอาจจะตาบอดในภายหลังเนี่ยนะเขาก็จะมีความสามารถพิเศษบางอย่างเพิ่มขึ้นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นนักดนตรีอายุสักเกือบเจ็ดสิบละจูจูอ่านตัวโน้ตไม่ออกไม่ใช่ตาบอดนะเห็นนะ แต่ว่าไม่รู้ความหมายอ่านหนังสือเนี่ยก็รู้นะว่าสระเอกอไก่นะขอไข่นะแต่นี่เขาเป็นภาษาอังกฤษนะแต่เขาไม่สามารถจะอ่านเป็นตัวได้นะไม่สามารถจะอ่านเป็นตัวได้คือไม่รู้ความหมายนะรู้ว่าน เ, นนนะ A เนี่ยเส้นเนี่ยนะเอเนี่ยก็มีเส้นสองเส้นแล้วก็มีขีดตรงกลางแต่ไม่รู้แม้แต่าวามันคืออักษรเอนะเขาก็ทุกข์มากเลยนะเพราะว่า มันทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถจะอ่านหนังสืออะไรได้เลยนะเแต่ ว, ว่าแต่อ่านโน้ตนะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเขาก็เรียนรู้นะเรียนรู้วิธีที่จะใช้ความรู้ทางด้านอื่นแทนนะเช่นอาศัยอาศัยการการเดาเอานะพออาศัยการเดาเอาเนี่ยเขาก็เดาได้ดีมากนะรวมทั้งการจาด้วยเขาอ่านโน้ตไม่ได้เนี่ยแต่เขาจาโน้ตได้แม่นมาก จำได้แม่นกว่าสมัยที่ยังไม่มีอาการนิสัยอีกนะคือฟังเพลงครั้งเดียวเนี่ยเขาก็จําได้เลยแล้วเขก็สามารถที่จะเล่นเพลงได้โดยที่ไม่ต้องอ่านตัวโน้ตนี่ขนาดเกือบเกือบเจ็ดสิบแล้วนะสมองเนี่ยมันพัฒนาความสามารถด้านอื่นมาแทนที่อ่านหนังสือไม่รู้เรื่องนะแต่ว่าความจํานี่กลับดีขึ้นกว่าเดิมที่คนนึงเป็นเส้นเลือดในสมองแตกโคมา่าฟื้นขึ้นมา พูดไม่ได้ฟังเสียงคนไม่รู้เรื่องได้ยินเสียงนะแต่ไม่รู้ความหมายนะไม่รู้ความหมายมันก็ได้ยินเสียงรถเสียงแต่เสียงอจั ก, กรจันได้ยินเสียงทุกเสียงแต่ว่าไม่รู้ความหมายที่เป็นภาษาคนเขาก็ทุกข์มากนะแต่ตอนหลังเขาพยายามฝึกนะฝึกจกนกระทั่งเขาสามารถที่จะอ่อ่านปากของคนอื่นได้อ่านปากก็พอจะรู้ความหมาย หรือว่าทำยังไงวะนั้นนะ่ะคือสังเกตกิริยาท่าทางแล้วก็น้ําเสียงน้ําเสียงหนักเสียงหนักเสียงเบานะไม่รู้ความหมายนะแต่ว่าสามารถจะบอกได้ว่าคนพูดเนี่ยเขาตั้งใจจะพูดว่าอะไรรู้แม้กระทั่งว่าคนพูดเนี่ยจริงใจไม่จริงใจนะเช่นเวลาเขาดูนักการเมืองให้สัมภาษณ์เนี่ยหรือถแถลงถแถลงข่าวเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าตอนไหนที่นักการเมืองเนี่ยไม่จริงใจหรือโกหกนะ ไม่รู้ความหมายนะแต่ว่าความสามารถในการที่จะอถอดความหมายจากน้ำเสียงเนี่ยนะก็มีคนบางคนตาบอดตั้งแต่เกิดนะแต่ว่าเวลาไม่ใช่ตั้งแต่เกิดนะคือพอโตไม่ได้ซักซักโตมาเป็นผู้ใหญ่แล้วพอจะรู้ความหมายเลยรู้ภาษารู้อะไรละอ่านหนังสือออกแล้วแล้วตาบอดเนี่ยนะ เวลาเขาสัมผัสอักษรเบรล์นะเขจะเห็นเป็นตัวหนังสือเนี่ยโผล่ขึ้นมาในสมองเขาเลยเห็นเป็นตัวหนังสือเลยนะหรือเวลาฟังเสียงหนังสือแบบหนังสื อ, อ่หนังสืออ่านะนะหนังสือที่ใช้คนอ่านแล้วก็อัดเทปเนี่ยเราก็ฟังเนี่ยในหัวเขานี่จะเห็นเป็นตัวหนังสือเลยนะเรียงมาเป็นประโยคๆเลยนะอันนี้เรียกว่าความสามารถนะของสมองเนี่ยมัน มันทดแทนกันนะจากเดิมที่มองอะไรไม่เห็นนะแต่ว่าสามารถจะสร้างภาพในใจขึ้นมาได้คนที่เป็นใบก็เหมือนกันนะคนที่เป็นใบนะบางทีเห็นมาเป็นใบตอ น, ตอนตอนโตแล้วนะพอเห็นตัวหนังสือเนี่ยมันเกิดเสียงขึ้นมาในในหัวเลยนะหรือว่าเวลาดาาปากคนไม่ได้ยินนะแต่ว่ามันได้ยินเสียง เขาพูดเนี่ยอยู่ในหัวเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกมากนะแต่ว่ามันก็สะท้อนว่าสมองคนเราเนี่ยมันมีความสามารถมากนะในการที่จะทดแทนของเดิมที่เสียไปอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องสมองเดียวเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของใจโดยใจของเราก็เหมือนกันนะคนเราเวลามีความทุกข์เนี่ยใหม่ๆก็ทนไม่ไหวนะแต่พอเจอมากๆเข้าเนี่ยมันทนได้นะไอ้ที่เคยหนักก็ เ, เคยเก็กลายเป็นเบาเขาเคยให้คนเนี่ยสองกลุ่มนะ กลุ่มแรกเนี่ยฟังเสียงฟังเสียงเครื่องเครื่องดูดฝุ่นนะใส่เป็นฟังจากซาวเ้าเลยนะคือมันดังมากนะไม่มีทางหนีพ้นให้ฟังห้าวินาทีนะสิบห้าวินาทีอีกกลุ่มหนึ่งฟังสี่สิบห้าวินาทีกลุ่มที่สองนะและทุกกลุ่มนี้เขาก็ให้เขียนให้คะแนนความรู้สึก ในห้าวินาทีสุดท้ายว่ารู้สึกอย่างไรสุขทุกข์แค่ไหนก็คงจะให้เป็นคะแนนนะว่าทุกข์มากนะก็ให้ไปสิบทุกน้อยก็ห้าหรือว่าสามนะเราพอจะเดาได้ไหมว่ากลุ่มไหนเนี่ยที่มีความทุกข์มากนะมากกว่ากลุ่มอื่นมีสองกลุ่มนะกลุ่มหนึ่งฟังสิบห้าวินาทีอีกกลุ่มหนึ่งฟังสี่สิบห้าวินาทีใครที่ใครที่ตอบว่ากลุ่มสองเนี่ยมีความทุกข์มากกว่าเนี่ยผิดนะกลุ่มแรกนะ นะกลุ่มแรกห้าวินาทีสุดท้ายของกลุ่มแรกนี่จะทุกมากเลยนะหงุดหงิดลำคาญส่วนกลุ่มที่สองเนี่ยฟังนานนะแต่ว่าห้านาทีห้าวินาทีสุดท้ายเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันพอไหวทนได้เพราะอะไรเพอะปรับตัวได้แล้วนะทีแรกก็ทุกนะแต่ว่าพอผ่านไปสักยี่สิบวินาทีสามสิบวินาทีเออเริ่มเริ่มสบายแล้วเริ่มปรับตัวได้ คนฟังเสียงแบบนี้มากๆเนี่ยมันไม่ใช่ทุกทุกมากนะกลับจะทุกน้อยกว่าคนที่ฟังน้อยหรือเพิ่งฟังนะเพราะว่ามันเพิ่งปรับตัวหรือว่ายังปรับตัวไม่ทันอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะที่ว่ามีความสามารถในการปรับจิตปรับใจเจอความทุกนานานเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนนะความทุกความหนักให้ความเป็นความเบาแต่ถ้าเพิ่งเจอใหม่ๆเนี่ยก็จะทุกมาก คนที่เพิ่งเข้าคุกเนี่ยนะสามสี่วันแรกนี่ทรมานมากเลยแต่เพราะว่าเข้าคุกไปได้ทักสองสามปีเนี่ยนะก็จะเริ่มสุขสบายที่ไม่ต้องอื่นไกลนะเข้าพรรษาเนี่ยนะพระที่มาจำพรรษ า, านะวันแรกสวันแรกนี่โอ้จะสึกทรมานมากเลยแต่คนที่อยู่เป็นปีเนี่ยเขาเฉยมากแนละ้วสุขสบายได้ซ้ําคนที่เพิ่งมาจำพรรษาเนี่ยสองสวันแรกจะรู้สึกเมันก็ว่ามาอยู่คุกรล้วบัเนี่ยหรือมาอยู่โรงพยาบาลหรือเปล่านะ สภาพแวดล้อมเหมือนกันนะแต่ว่าการปรับตัวไม่เหมือนกันนะคนที่อยู่นานเขาก็ปรับตัวได้หรือคนที่อยู่แค่สองสวันแรกเนี่ยรู้สึกทุกข์ทรมานแต่พออยู่ไปสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เริ่มปรับตัวได้นะอันนี้ทำนองเนี่ยคนที่เดินธรรมยถาตาเนี่ยโหเดินธรรมยถาตานี่เดินเป็นเป็นร้อยกิโลเนี่ยบางคนนี่เดินแค่ชั่วโมงแรกก็ไม่ไหวแล้วทั้งร้อนทั้งเหนื่อยแล้วก็สงสัยว่าคนอื่นเขาเดินกันได้ไงต้งแปดวันนะ บางแห่งบางที่ก็เดินถึงสามสิบวันนะมีบางรายมีบางที่เนี่ยเดินตั้งแต่กรุงเทพไปปัตตา น, นีนะสองสามเดือนพันกว่ากิโลเขาเดินแน่ไงในแค่วันแรกนี้ก็เหนื่อยแล้วนะวันแรกเหนื่อยชั่วโมงแรกเหนื่อยไม่ได้แปลว่าเดินเจ็ดแปดวันจะเหนื่อยยิ่งกว่าเดิมนะเดินวันแรกเหนื่อยแปดนะไม่ได้แปลว่า เดือนอ่ะเดิอนอีกสิบวันนี้มันจะเหนื่อยมากขึ้นนะส่วนอย่างละตรงข้ามนะมันเหนื่อยน้อยลงนะพราะอะไรเพราะปรับตัวได้ให้เราต้องไว้ใจนะกายและใจของเรานะว่ามันสามารถปรับตัวได้เวลาเจอความทุกข์เนี่ยก็อย่าพึ่งตีโพยตีพายนะเพราะว่าลองให้ความไว้วางใจกับชีวิตของเรากายของกายใจของเราว่ามันจะปรับตัวได้ ผ่านไปสักพักผ่านไปสักสองสาวันนะมันก็จะเริ่มนะเข้าที่เข้าทางคนที่เดินธรรมยาตาเนี่ยพอเดินไม่ได้สัองสาวันก็เริ่มนะเริ่มสบายแล้วและเดินต่อไปอีกหน่อยก็เริ่มสนุกแล้วพอถึงวันที่แปดก็เสียดายไม่อยากให้เลิกนะอยากจะให้เดินต่อนี่นี่เป็นธรรมชาติของใจของเรานะที่มันปรับตัวได้เร็วมากแต่ถ้าเราไม่มัวแต่ถ้าเรามัวตีโพยตีพายนะ บ่นโวยวายทนนั้นทนนี้นะมันจะทำให้การปรับตัวช้าลงนะให้การบ่นโวยวายเนี่ยเป็นสิ่งที่กีดขวางไม่ให้ใจเนี่ยปรับตัวเข้ากับความทุกข์ที่เกิดขึ้นแทนถ้าอยากจะให้ความทุกข์มันน้อยลงนะถึงแม้เหตุการณ์สภาพการยังเหมือนเดิมนะแต่ว่าทำได้นะเพียงแค่เราไม่บน่นไม่โวยวายไม่ตีปวยติพายยอมรับมันเดี๋ยวพักก็จะรู้สึกดีขึ้น ปัญหาไม่ได้ลดลงสิ่งว่าเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ว่าใจมันดีขึ้นใจมันปรับตัวได้ดีขึ้นยิ่งถ้าเราฝึกสมาธิหรือว่ามีปัญญานะรู้จักมองมองแง่บวกครับประโยชน์จากมันอย่างที่ผู้ไว้เมื่อวานเนี่ยยิ่งปรับตัวได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นด้วยเรากลับจะมีความสุขในเวลาไม่นานอ่าละเตรียมรับพ่อน